สุธิกะสมาบัตสุญญตสมาบัตอนิมิตฐะสมาบัตและอัปนิหิตะสมาบัติภิกษูกล่าวเทศทั้งที่รู้ว่าข้าพเจ้าเข้าสุญญาตสมาบัติแล้วด้วยอาการสามอย่างข้าพเจ้าเข้าอนิมิตะสมาบัติอัปนิหิตสมาบัติข้าพเจ้าเข้าอยู่ข้าพเจ้าเป็นผู้เข้าแล้วข้าพเจ้าเป็นผู้ได้ อปปนิหิตะสมาบัติข้าพระเจ้าเป็นผู้ชำนาญข้าพระเจ้าทำอปปนิหิตะสมาบัติให้แจ้งแล้วต้องอาบัติปาราชิก